เรื่องของเราแเรื่องของคนเราก็มีอยู่กากับใจเรื่องของกายของใจก็มีปัญห า, าจะแก้ัญหาเรื่องของกายของใจได้เราปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้อมีสติคอยดูแล กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอย่างไรเพื่อเป็นความถูกต้อง <c oughs> การที่ว่าปฏิบัติปฏิปัติก็คือโต้อบถ้าทวนตรวจสอบดูแลเอก็เราเฝ้าดูแลวัตถุสิ่งของสรัพสินเงินทองอดหลานของเราปลายเกิดต อ, อเป็นทางแจ่ นั่นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมระหว่างกายระหว่างใจก็ไม่มีควาเป็นธรรมต่อกันขาเปลียนเปลี่ยนใจใจเปลี่ยนเปลี่ยนขาเข็นกระตุ้นกรนกายก็ปล่อยทุกไปด้วยชินเมื่ได้ มันเป็นทุกขมันเก็บปวดมันร้อนมันหนาวมันหิใจอตัออออวจลคสบาเป็นคนกระทบความเป็นต่อกันแบบนี้ต้องมีสิ่งที่เกิดความเป็นกลางขึ้นมาระหว่าการจาความเป็นกลางความเป็นท้นถ้าไม่ได้คว กลางระหว่างกายระใจเน่นีอะไรทเม่เาศึกาตรงนี้มาดูมันมีสติเนีสติตัวนี้จะให้ความเป็นกลางระหว่างกากับใจให้คเป็นกลางมากๆน่ะตรงตรงญาณตรงปัญญ เป็นที่มเกิดเกิดม่เกิดม่ตายทรงคัาตายหมดเป็นตัวเสเมื่อพัฒนาเมื่อดูแลก็จะไม่ชำนาญหมือนผู้ใหญ่บราณนก็งเป็นสาวมีกัาอกันตอผู้ที่ในกองป็นสาามาในงเป็นกางคอยที่จะ ที่เกาะกิจาะพต่อิดสันติขึ้นมาสันตเลิศขึ้นมาต่อิดกลาเป็นความทุกข์ความทกกลเป็นความไม่ทกความหลงกลายความไม่หงเราต้องมศึกษาเรนี้ัเราจะต้องเป็นผีมีใารหาต่อไปเรื่อยๆันแพร่ไ้นั่นคืล กาทกจังเอาแล้วก็มีความทุก์เป็นเรื่อหน้าแล้วตามสน้การทาที่สุดแห่งควทุกทังสนี้จะเป็นปรากฏชาติกดียวได้เราจะบูุผู้ที่ต่อพระพุทธเจ้าผู้ที่ต่อไ่ามพระญาพระญาก็พุทธเจ้าพระญาติพระธรรมระญาติรสงเป็นบ คิดไปคิดไปพอปฏิจจ์คิดให้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสัมภารุสติแต่คิดถึงอารมณ์ควารักความโกโลภความหงคิดถึงกาลานุสติคิดถึงศีลศีลารุสติิงมรรนานุสติคิดห้เป็นแต่คิดเน้วปวดหักตัวเอง ก็ที่เราจะมีโกาสมากูดค่ะมพู่ะตีสติให้มีสติมาว่าคอยดูแลกายใจมาสร้างถาไม่มีก็สร้างสร้างขึ้นฌามสร้างสติเรียกว่าภาวนะเรื่อยๆชะนอยให้ใส่ใจมันเราไม่รออู้คิดอันนี้สิ จะทอดทิ้งติดต่อยม่อยตามมีความเพียนในเจตนาที่จะรูปหรือตรงไหนก็ช่วยโอกาสวัตถุที่จะรูปที่มีที่จะรูปกระชั้นขึ้นจะเปคิดรูบลอยๆมี่วัตถุที่จะรูปมีที่ตัางในการกระทำเรียกว่าธรรมทาน เอาสติมาตั้งไว้ที่ารเป็นหลักสติมาตั้งไว้ที่ขาดก็เกิดการเห็นหลายอยางตเป็นทางผ่านทางไปพูดอย้เจมืนชงนทางขาชีพุงชุนทางโค ล, ล่จงุนทางหัใหญ่เป็นเส้นาดของตะวันรถไปทุกขบวที่จะแยกกันตรงนี้ สวรรค์เป็นทางของกิริยไปสวรรค์ไปนรกไปมิานไปเป็นเป็ตสุรธานผ่านตรงนี้เรา้ะเห็นได้พบเห็นมันเกิดะขึ้นเกี่ยวกับตกับใจออนมันเป็นสิ่งยานะ เป็นส่วนหี่ารเป็นปัญญาอย่างไรเป็นปุอย่างไรกเป็นบาจันนะแล้วถ้ามาได้ก็เห็นได้ารศสาธิมเการพบเไม่ใช่คิดเห็นแต่คิดเห็นสพเนอยู่รของที่อยู่กครมัใช่ร สองจะมันอยู่ใกล้มันจะไม่ใช่พลาดถพบเห็นมันอยู่ใกล้กนี่หรือทุกนม่หรือเหตุใหเกิดทุกนี่คือความระทึกใจการคิดเห็นมันไปนี่มันเกิดความระฟ้าไม่ได้คิดเอาบุญเท่าไรบุญก็คิดว่าเป็นอ่างอย่างนี้ บาปเเป็นอนั้นย่านี้กลัวถ้าเห็นเราไม่กลัวเ็นเรากลัวะกลวาะราคิดเห็นเห็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นคิดเห็นมันจะเป็นอย่างนี้เลยกลัวบาปเก่งมันถึงไม่กลัวอะไรมันจะ็บเ่งสิ่ที่เนป็นของี ส okay. ิ่งที่คิดเห็นไม่เป็นของเกเป็นพรอยู่ถ้ารู้อยู่มันจะอยู่ความก็ ตายนี่แล้วก็เินไปดูเด็กเขาทำบานดินเจอเจอการเสียหายมากพอสมควรเปิดตัดมาก่อนไม่ได้ดูแล้ว่ามีผูดูก็มีบอกวามีคู้ดูอยู่เราเออดูจนหมี่บ้านดินมันยังไง พอไปดูแลโเกิดตัดไมไผ่อไม้ไผก็ตัดไเป็นตานตัดเอาไม้เลยไม่มีใบเลยมันก็ตัดง่ายไม้ไผ่ที่เกิดปีนี้มก็่นอกนอกคอเด็กมายุตัเอาตอามาทเสียหายมากรวเนี่หตดไปตตัดตัดไไ บอกมาสอนกกอนอนนีลูกดีเรื่องอาาจักป่าไผ่ไม้ไผอาาจักรต้นไม้แล้วลูกจะันดีเลยสอนเขา <c oughs> อสอนเรื่องไห้ไผ่อาณาจกรไม้ไาาไม้ไผ่ที่ตั้งแต่มันเกิดหนอ่ตอต้นใดหน่อใดที่มันเกิดออกไปทางไก ไผ่ก่อซะหนอยแสดงว่าหนไผ่ตอนนั้นกำลังไปสึบสะพูนของก่อไผ่ก็ปล่อยให้มันขึ้นอยารัดมันพาขึ้นไปแลวอยู่มาจะสึบสะูนมเกิดลูกพอาตมันเกิดกำลสร้างลูกแต่ก่อนเล็กๆแบบเป็นลำโตๆนี่คน พอในหนองเนี่ยที่มันเดือดไกลๆนเ็นเาเรียกว่าหนองดานดินเป็นเอาไปจดบเอามันก็เสียใจตอนนั้นเสียใจมันพยายามไปเกิดเ็เกิดไม่ได้พอไปจับไปจับเอามันก็เลยไม่ขึ้นมันเลยมาขึ้นเป็นหนองไม่สอดสอดตากรสอดเคลอนไปสอดขค้่อนไปมันก็เริ่มไม่โตเรื่อหนองสอ รีเสก็ ข, ขึ้นโคงนมันมสามารถที่ออกหน่อได้มันก็ออกสาาอุดซานได้กันต่อไปนี้โวกเรานะ้ำไม่มีโอกาสที่สร้างโลกได้แล้วโลกเราถูกฆ่ากันแต่ก็จะเจออยู่พเราจะต้องไม่อหวแล้ต่อไปนี้วเราจะต้องออกลกูกออกออกมาออกผลเมื่อเราออกมาออกผลเลยต้องตายนะ จะเสียสละชีวิตของพเราเพื่อให้เกิดหมากเกิดโคมเกิดอร็เกิดหากเกิดชีวิตเรตายไปก็เสย ล, ละหมาหลล ง, ลงเป็นต้นกล้าใหม่เริ่มชีวิตใหม่อนี้การต่อต้อนไ ท, ที่อยู่นอกกถ้าราจะไปตัดพยายาไปตัดมานให้ตัดต้นเนื้อหยกกลา ง, ลางต้นเก่ถ้าเราตัดเป็นมาต้นนอกางจริม การประกรศให้เรียนก็จะปเรยสองข่าว ครใหญ่ๆล้วม็อยากให้อาลังแข็งแรงอาศัยแตาามันถีเอ้ยถ้าตายไข่ตรงไหนที่อเคยตัดนะนตายไมันประเกตะแวตามไข่าไให้ช่วยกันเป็นผลทิ้งจะใช้แรงงานเท่าไหร่แล้วก็ปรับใหเทอา การกดยอดไปในที่ตัดอกไปนี้แล้วพ็ลายคนแล้วเราจะผลจะมันสีนตรงนู้นะเกียดกันช่ไหอ่าไมเราบอกเขาพราะอยู่ป่าอ่าไยังไม่ไเราก็จ็หายบอทีตอมีการกดดินคนเก็เออไหแล้วอ่าก็คิดไปคิดเห็นไินะท้อ เี่รู้จักว่าิสุข ข, ขุดเองก็ดีใช่คุนุดก็ดีซึ่งแผนดนต้องไปตีเนี่ยนี่หลักตัวจรงมาเกิดกัแล้วตามปกติกตอนไหนก็ขเดเองเป็นรุ้งเป็นบ่ อ, เ, บอนะเลต้องาดี ม, มาโมาถมาเเกิดตเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็นวาเป็นธรรนะเราอยู่ตรงไหนก็มีความเป็นธรามต่อทุกสรรพสิไม่เบียดเบีนอะไรม่เียเียนน่ไม่เบี ย, เยดเบนนะไม่เบี ย, เยเดยเบน สัจจาเสียงต้นน้อยพวกเขาบอกว่าจะพูคนนี้แต่หมด็แลาก็ไม่เปียนนั่นคือเรามีความยึเหนี่ยงให้ใวาม่ป็นธารมต่อทุกสรรพสิ่งแล้วก็ปรกาศว่าเราเด้นธรรยารตัวยท้งอน้ำช่วยป่าช่วยเมลอดช่วยอากาศเพื่อสร้างธรรมชาติให้ขึ้นเกิดตัวสมดุล เราเออจะต้องเพื่อกันแจกถ่ายช่วยพวกเขาเราจะไปโย่เราไปกดเขาเราเราก็จะสอนควาวานนี่ให้ให้จะเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยมันผิดเพี้ยนมนปกติอย่างยิ่นะมันดีกว่เก่าถ้าเราเรามันสุดมันส่งเราก็แก้กันคอยดูแลนะ หูเป็นตาช่วยกันโดยทีนี้เราู่ป่าป่านี่ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของดินนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของคนทุกที่เป็นเจ้าของตอนน้อยในวัดเราเนี่ยมีเจ้าของหกสิบกว่าล้าน้นตนน้อยตนนี้มีเจ้าของหกสิบกว่าล้านคนพื้นดินตารางวาตารางนี้รตารางพื้นตารางสอบมีเจ้าของหกสิบกว่าล้าน้น เราจทำอะไรที่มันเสียหายนี่ไม่ไดน่เป็นความคิดของพวกเราความรู้สึกของพวกเราแม้แต่วกเราปฏิบัตเพื่อนี่แหลเพื่อเติมความเป็นธรรมต่อทุกสรรพสิ่งเรจะต้องไม่เี่ยนตนเองแย่งมาเปี่ยนคนอื่นเสยงอื่นว่าตัวอ่เข็ของปวการเปี่ยตนการเปี่ยตนกาอกเป็นบการทาไม่ เราทกับเราให้เราเป็นโทษคนเราก็เป็นบาสนี่นะเป็นบาล้วหลองโทษตัวเองถึวันนี้สรตินยารู้เส็ตัวเนี่ยการรู้เสร็ตัวมันวากการรู้เส็ตัวมันจาความดีการรู้เส็ตัวมันไม่ขีดเาบริสุทธิ์เนีเราเกจากตรงนี้กัทุกคนปรรพายหกสิบว่านมาดูแตรงนี้รเกิดควงเย็ันี รัดเนี่ยมันเดียวมาถูกต้องที่สุดถ้าเราไม่ติถ้าเราหลงก็ถูกต้องความาลงมันจะไม่เกิดภาวนาตัณฑ์เกณบ์ริพาเ้าให้ตว่าความหอง เ, เนี่ยมาไปโยนก้อนหินหนันกลองใส่เร ล, ลองใส่ขี้โกงมันก็ย่อโจมลงได้ เ่าตาเห็นโลกจงลงไปปากลงไปถ้าไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินได้โมลียินเสียมาเกิดจงลงไปถ้าไม่เกิดคว า, ม, จจา ม, รมรับความจำถ้ามีสติเหมือนที่งปุยฝ้ายลงไปในกระดานที่มีพื้นไมนน่มีแกล็ดก็ไม่จงไม่เกิดโรกระเทือนคนมีสติไม่เกิดโรกระเทือ น, น ประสติใหู้กเสดลองรับนะเองรับน่วยเกิดความเาบีย่อบาเนะเป็นการตบอบาก า, ายแล้วตาบากายจิตเล้าตาเอกจิตเนะี่ยมันเบมันไม่หนักมันไม่จบ ม, มันไม่เจ็บปว ด, ดมันที่งคุยคล้ายใส่พื้นกระดาษไม้ไม่กระตกกระเดินไปไกลจะพูดจะคิดจะทำสิ่งใดเนีนะ่ย ไม่กระทบตแนมาดนี่นี่ถ้าเราอยู่รกันในโลกโดยทุกนี่อบเยแต่ที่มกความขัดนะให้มีสตินะมันจะเรีมามโกัสหก้า ไม่มีอะไรแต่กิจ่ันแ่ากิจมันก็เป็นทุกขานั้นในโลกนี้มันมีอะไรมีแต่ทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไมมีอะไรเพราะนพระพุมาหสถเล่าใ้กายทุกข์ใจจะทุกข์ทุกข์ของกายจะมีมากเลยนต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกต้องกินต้องถายต้องหลับต้องนอนต้องพู่เยียกเพื่อนไว้ต้องเดินต้องยืนนั่ง แต่รี่หมดในนี้มันเป็นแก่ทุกข์มันเป็นก้อข้อทุกข์มันเป็นกองทุกข์เราเด็นวต้องก็ให้มันโกรธโกรต้องโกรธป็้ทน์สองอีกมาสงสารลูกนะลูกนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากมันก็ช่วยกันช่วยตัวมันอยู่แน่เราจะไปเอาความกควาชามความโกรธความโลกความรองไปใส่กันดิมก็ยิ่งแบกไปเป็นภาระ เวลาสวดภาวนาเวกันจากฐานฐานงานหนักอยู่แล้วราอุปทานอยไ็เป้นแบบก็เป็นติดผมไปทับเข้าซ้ำเติมเข้าไปมันที่สุดก็ลองอาสมสารสมสารสมสารลูกเนี่ยหน้าสมสารจะคอยช่วยลูกของเราจะให้ลูกม <Sí. S 2> ันเป็นลูกอยาเพิ่มอยาเติมให้มันเป็นขัดธรรมชาติ เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติเอาธรรมชาติเหล่านี้มาศึกษามาดูันรมาเห็นใจเห็นใจกนพออยา่าฟองให้เอาเลยอะไรมากมายมันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมรุาา่รุ่นะเอาาเป็นปันจจัจะสร้เติมเอาเขาไปพูดกับฉัว่า จะต้องปลดจนตายจะต้องหลงจนตายจะต้องทจนายเะน่มีคาทุกข์ความปลคหลอาลงเปนขั้สุดท้ายเนี่ยมันทำได้อยู่มี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในโลกนี้ผู้ทาได้อยู่เราทำได้จริงความผลปลดควไม่ปลไม่ปลก็ได้เราใช้สิทธิ์ของเราไม่หลงก็ได้าใชสิทธิ์ เราใช้สิทธิ์ใหเนความไม่ทกเวลาใดมันทุกเราใช้สิทธิ์ความไม่ทุกเวลาใดมันหลงเราใช้สิทธิ์ความไม่หาใช้ตรงนี้กันจะถล่มไปจนหมดตัวกอบคู่ชีวิตถึ้นมามันช่างตกหลมันถอนตัวออกจากหลคนเราเมื่อมันมีทุกข์ถอนตัวจา ก, กทุกข์เมื่อมีความหลงถอนตัวออกจากคว่มหลง เมื่อมีคนโกรธขอต้นจะมองโกรธให้รัวจะบอจากนี่รู้จับเฉลี่ยความหนักให้เป็นเบาอวามิดให้เป็นถูกเรียกว่าปฏิปัติธรรมเรากำลังทาอยู่นี่เราเห็นอยู่มันผิดไเวลาเจะิญสติมันลงไหมมันลงไหมนั่นแหละหมดเลียนของเราแล้วเวลามันลงเราจทำยังไงฮะปลกสตัวมาอยู่ตรงนี้ คิดไปทำามถึงใจคคิดแปทำไมถึงบราแล้วน่งอยูก็อกตัวองว่ากนตรงนี้หาใจอยู่นี่นะให้เดีรเีพันะถ้าไม่หาก็ไม่เป็นนะซุกนนะเพราวันนเป็นทีวิตพอเรามันเป็นวัตถุกรรมคุตายูจมูกลิ้นใจย่บลดดีดเสียงเนียมันเป็นวัตถุแห่งที่เกิดแห่งกรมะคนต่าห มันก็ไปใครมันดูร้ายนะเราต้องมาพอควาดีความรู้ไปเรื่อยๆนหมนสอนสัพท์สอนชาติ้าเรสอนเป็นเราบอกไปแล้วถ้าเราไม่สอนหรือสอนเนี่ยเป็นให้สิ่งแวดร้องไม่ดีให้ข้อมูลไม่ดีมัก็พยนี่คิดเดี๋ยวเช่นจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นการสอนเคิดจิตใจเรามาเป็นการสอนคิด ถ้าเราเปก็จะเป็นคณเป็นประโยชน์ปถึงมรรคถึงเราจะทำางายเพ้าเราขอให้เราเป็นคุละส่วนนี้ตุกิมิตเผิดชอบมาเรียนมารู้อตัตวเอศาสนาก็อยู่ตรงนี้คือคนไม่มีปัหาคนไม่มีทุกข์คนมีคนรับรอศาสนาไมเจริ ศาสนาเจริญว่าสวยๆงามสง์มากๆรเจริญวันธมนะครับศาสนาเจริญคน้เจริญ่รู้ม่เียนเรีนคนี้ยนีนคนเีคมสิมีสมาธิมีปนยา ความเมตตาตุลาเมตตินะทว่าสร้างกันละแล้วพอสร้างกด้ไม่แค่สร้างไม่ได้จากรู้อะไรหใจเข้ก็รู้สึกตัวได้ติตารูกสึกตัวได้ถ้านี้ความรู้สึกตัวนี่แหละเหมือนมีพ่อมีแม่เริ่มจากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วพักความเป็นพ่อเป็นแม่ของชีวิตคือ ความเป็นพ่อแม่ของลูกกายคือพ่อคือแม่ผูใ้ให้กำเนิดให้เราเกิดสองสองทีเถะเกิดใจลูกได้ตามมาเกิดคุณธรรมอีกให้มาเกิดขึ้นมาเริ่มต้นจากความรูปสึกตัวความรู้สึกตัวเป็นมารดาของูุศลกระทำเร้างกันโดยไม่ขอมาเทียนกันเป็น่อย เลาคมันรงูเ้าไปใส่เอาความลูกเข้าไปเฉลยเอาความรูกเข้าไปรูกไปเห็นนะเวมันคิดไปความคิดมันมีองอย่างคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดแบบตั้งใจรคิดแบบตั้งใจเรียกว่าวิชาคิดแบบไ่ได้ตั้งใจเรียกว่าอวิชาะมันอาจจะมากกว่า คิดแต่ก็ได้ตามใจทำรู้ต้องตรวจสอบม ก, ก่อทา่วมันก่อนหยุดมันก่อนอให้ถูกสอนนะไหม อ, อ, ค, อคิดหลงไปแ้วมีมีมากกว่ารูตไไต้ตัวลงไปวคิดตัวก็รู้สึกตัวเวลางคิดแต่ไรก็ ลมนะต่างพวยี่ติบปีก็กลับมาอีกกลับบ่อยๆกลับ่อยๆทำงานใหม่ต้องที่จะลอพอทำไปทำไปต้องาที่จรนะแล้วก็พัฒนาวิวัฒนาเจริญขึ้นได้ถ้าเราไม่หั ขึนเปรมาหาโลกความาโลกมากขึ้นมาขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งแวกล้อมให้ข้อมูลดีๆตามมาสร้างจังหวะการมาานายตามาเดินจงังกรตามมาสรางจังหวะยกมือเกิดไรเนี่ย เ, เป็นการให้ข้อมูลชีวิตเราอยากพบต้ อ, อให้ข้อมูลชีวิตให้มัน ให้ข้อมูลในโกมันกร้องไปเช่นตัวนี้ให้ข้อมูลชีวิตเราโลกหลานเรามันเลยรับข้อมูลที่ผิดผิดมาทางเราเทียมมาทางสื่อสารมาทางอะไรนะตามนี้โลกหลังเราเลี้ขอมูลมาทางผิดผิดอยไรวายสอดแทบเราพยาีามให้ข้อมูลร ถ้าได้รู un, ้สึกตัวถ้าได้เข้าถึงความรู้สึกตัวแล้วมันไมเี่ยนกไม่มีอะไรที่จะบริสุทธิ์ปลอดไปแตทางกวกความรู้สึกตัวมันไม่ทางพวกวอเราความหลไม่มีความเป็นธรรมไม่ถูกต้องนะมันไมเอาแต่ตอนน้เอาทุกอย่างเอาจะพื้นจะพื้นว่าออกปะตนนี้พารู้สึกตัวเลื่อนแต่ไม่ออกอนคิว่า มันของลที่ใดมก็เปลี่ยนตัวลูกมันจะติดต้องไมันจะสุมันจะทุกมันก็รู้สตัวลูกกันก็ตัวลูกสืบตัวมนอยมันเหนือโลกนะตัวูสตัวนเนโลกอยู่เนือโลกคืออยู่ใ เป็นภาษาคนระจาปริานอยู่ตรงระวจาปนานอยู่ตรงจะตุทชาลปัญจมัฌานระหว่างฌานที่ส0กับฌานที่ห้าเอคื อ, อ, อ, อไม่ไม่มีการไม่มีคาคว่าเก็บปุ๋กมันอยู่ลอต่อยู่ตรงนี้เวลานั้นพระมรุทธก เป็นผู้อยู่คกล้ๆอยู่ในตัวเรยาตามตาพาสปารุธาจะต้อบอกวิชาบอกเพราะผู้ที่มีถากปร้องกัวรเรานั้นเราเป็นหมอคนเก็บขวัญก็รูจ้จักไปอยู่ในสภาบรรดาเนองไรพอคนไข้บอกเราก็รู้ว่าเป็โนโรคอะไรปารุธาดูเลยามอาภ า, า, ภาของุณเจ้าอย่างไรคิด สำหนเยถามว่อพระจาอย่างไรเธอเนี่ยอุธาบออยู่ที่ปทมชาญจะนี่พานเรื่งยากลังเี่ยวเนี่ยปทมชาญทุติยชาญตติยชาญจัตโตชาญปัญจมชฌานก็มีพานด้วยซ้ำแตนั่นนี่เราเรียไหม เวาราเก็บหมดตัวจากควมเก็บเวเราทุกข์หมตัวจากความทุก์เวลาเรากรธมดตัวจากคามโกรแ้กไม่มีสิละการกดปฏิบัติธรน่นให้เกิดส่งละป่าของชีวิตนะมันจะอยู่มันะเื่อีิตของคนเรามันพนาได้ก็จะไอยู่อะไรมา จะไปอยกับความรักวาาจะไปยูกับความศพความทุกขจะไปอยู่กับความกลมันเป็นโลกโลกมัั้นเหนือนะหเห็นแล้วก็ปอกแบบภาษาแล้วพให้ดูเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เก็นเช่นมันหนาวเนี่ยนมันหนาวเป็นผู้หนาวหรือว่าเห็นมันหนาว อบสิเป็นผูน้ น, วนาวหรเห็นมันนาวถ้าเป็นผู้นาวก็หมดตัวเลยหมตัวถ้าเห็นมันนาว่าวาวยออกมาแบบโดดเลยเพราะทีเราโกรกเน่เป็นผู้โกรกหรือว่าเห็นมันโกรกทำตัวไม่ว่างนะทำใหเป็นการว่าให้เป็นาาการม่าตลอชีวิตเราอยู่เราเป็นผู้โกรกหรือว่าเราเห็นกรก ถ้าเป็นโรคยกตัวออกมาเห็นมันกระมันจะเป่าวิวเป็นช่องทางมีเนื่องขันแก้ได้มีปมไม่ยุ่งไ ม, ม่มืนกับได้ที่มันมันพอที่แก้ออกแก้ปมมันอแต่เป็นแมันแกแ้มันหมกนุน่มเรไม่เห็นเมื่องขันเห็นมันกระนูกใ่ว่าแกะ ถ้าเป็นผูโกรธก็ต้องตายัปถ้าเู่ได้โกร ต, ต, ตายคูก็มีถ้าคู่ได้โกรธก็ต้องตายก็เพื่อนี้แหแค่ันอันนี้ว่าเรามาดูเนยร า, าดูเนยดูอะไดูกายเนเห็นไหมเห็นกายเห็นเวทนเวาเห็นความคิดไหมเห็นธรรมที่มันเกิดที่มันเกิดไหมเป็นกุศลคือความงมงมงงเป็นเป็นอกุศลคือความงงงง เป็นกุศลคือความฉลาดมีสิ่มีสมาธิใจดีนะมีนะมเราก็ใชดีอยู่กับอกุศลา่ราก็ต้องออกมาบางคันงเอิ่มใจดีใจช่ไหบางคศใจชเออเปลี่ยนนะเห็นกุศลเห็นอกุศลมันเกิดขึ้นนะเราก็เห็นแด้เห็นความงงเห็นความมเลยสงสัยเห็นความคิดพุ้งชาะร่ ทายาทบาทปฏิีที่วเกิดทาบเกิดกค้เามันจมามันจมมามันอาศัยมานะแลูเรู้จตัวอรู้จิตตัวสี่งรหายไสิ่งวัถที่ทาใเกิดของรู้เราก็มีพมเคื่อนไปไปมาเดินงกองเนี่ยเราซเลยเยเป็นผู้รู้อย่าเป็นผู้ อย่าไปอยู่กับคนสุขอย่าไปอยู่กับคนทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์จอยู่เหนือโลกป็นผู้สุขเป็นู้ทุกข์จอยอยู่ในโลกเป็นผู้รอดเป็นผู้หนาจอยอยู่ในโลกเป็นผู้หิวเป็นผู้อี่อยู่ในโลกให้เห็นแต่มันหิวไหมเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวเป็นมันิ ถ้าเราเป็น uh. ผู tra TRA ้หนียวทุกแล้วใจก็ออเนียคนเนียวข่าใจกรอกใจบาดอไแนตัวเนใจปลอกปอกปกหน้าหน้าคนหนิยวใช่ไหมใจอ๋อหิรันตข่าวดหนาแต่เราบาดก็ไม่ได้ยาบาดปวดอะไรคนเราอไม่ไ้เสร็จก็นีนะใจปลอกปลอกคนเนียวข่าใจปอกปลอก สอบปลาทเลเห็นปลาทะเลปาห้เค็จากหน้ามาวางเลยดิถหาแป๊บัก็ตายเลยใจสไม่มนปลาหน้าเคมปาน้าเค็นี่เอาจับมาวางัวเลโดดลมากปลาทะเลจับมาวางหัลดีหางแป๊บปสองสีตา คนเราของมันต้อง็นความทนทาอยาไปโขกากิอยากไปทคกง่ายเกินไปให้แข็งขันให้เข้มแข็งตลอดดูเราสร้างาสร้างโขงเราสรางโขงถาให้เก่บชีวิตของเราจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมลูเสดตัวลูกเสตัวถอนดอรมะหัวหัรกันก็ไดมันหิวเห็นความขอบุณนะขอบุญ ขอบคุณคนเะหนียวตีแจงเวลาเหนยว้าโอ้เราเนี่ยอายุหกสิบกเก ล, ล, ล้ว็นียวข้านี่เเหนีย้นนี้้าเล็หน่อยฉันแต่ปานะนีเหนขอบคุณขอบคุณคนเหแล้วลว่าลูกคนกติเต็มทีแล้วไม่ตายไม่ต า, า, าเยเหนีข้าไม่ตายเอเมก็ได้แขตายหนียวข้ า, าวาร ถ้าไม่หิวอใจเนี่ยสองมันแลกไม่หิว้าวสามวันกูกูไม่หิวกูไม่หิวไม่ถึงเก็บกันตายไอหหมดจัต้องกินะไกินน้่กูรักดื่หน้ากูรนกตัวหิวหมดมักง่เหลือสิ่เดียวดืมน้ำดื่มเท่าไก็เบาออกดื่มลงไปเดิมลงไาหิลจัดเคยหกลยนะแม่เะหนาวก่อนหน้าหน ศูนย์ลบสศูนยวลบสถาวเพราะาว่เราเนมันก็เดินไปเนนนอยรองฮะหายใจลนกๆถ่าเดินถ่าทุ่งนาถ่าฝฟางต้นฟามนี่ขาวโเลยไปแกะเอาดเป็นกัดเป็นกัดบสีนะะแล้วกพยายามยไ่นะไม่เป็นไร เรเสุดตัวเห็นมนะเห็นมันหนาวเราสุไม่ไรกันพวน่ะเดินเ้าการมาเชิว่าหน้ารอกเัมนไมนะไมมนเก็ไฟชั่วะหน้าผาแกะออกเป็นกาเลยนะแต่ตที่มันผากรองนะเป็นนหาคนที่เราเป็นคนหนาพอเราคนหนานะก็ให้ละ เ็ูเห็นอยจะเป็นผู้เป็นเห็นมันหนาวเป็นมันหิวจะเป็นผู้ิวเห็นมันหิวถ้าหิวไม่เป็นก็ตายถ้าหนาวไม่เป็นก็ตายถ้าร้อนไม่เป็นก็ตายลูกที่ไหนเป็นธรรมชาติของรูปสัญญาใครของเขาเาแสดงออกเราก็ช่วยเขาถ้าเขาไม่แสดงออกเก็ไม่ลูกเขาก็เป็นอันะลากอะไรกลรก็ออกมาเป็นทุกมันไม่ใช่เอามาเป็นปัญญามาก ก็หิวเป็นปัญญาได้ไหมตร้อนเป็นปัญญาได้อนหนาเป็นปัญญาได้ไหมพกรกเป็นปัญญาได้ไพทุกข์เป็นปัญญาได้มาล้วมาเป็นปัญญาเอามาเป็นการศึกษาพระเจ้าเห็นอย่างนี้นี่ทุกข์โอ้สาวเป็นาเหตุเหตุเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นผลทุกข์มันเป็นต้ว่าใครมันเป็นเหตุแก้แก้ที่เหตุ จะไปตาปันจะตปทะเลาะกันจะไปทุกข์อะไรก็ถ <iz> ึทุกข์ทันทีมนชัมันใช่หรอของทุกข์มันใก่ต้องเป็นเหตุมันหมอที่ไปรักภาคนปวยเขาต้องแกที่เหตุแกอาการหมดไ่ใช่ไปลูกคลองรืทุกข์ก็มาัมันมีเหตุอยู่ยมันจะทุกข์เลยไม่ได้ต้องเห็นการมาศึกษาชีวิตของเ ก่อนที่มันเป็นหลงมันเป็นอะไรเพราะมันไม่รู้ก่อนที head, ่จะโกรธมันเป็นอะไรมันไม่รู ng, <t ries> ้กอนจทุกข์มนเป็นะมไม่รู้ตัวใหญ่ในวัเนาลเพราะเราหลกถ้าไม่หลงมันกรธม่ได้เพราะเราหลทุกข์ถ้าไม่หลงมันทุกข์ได้ตรงนี้แน่นน่เป็นตัวตัวเนี่ยเป็นตัวใหญ่สิ่งที่คิดกวับความหลงรคือความรู้สึกตัว คือลองรู้สึกตัวพิคิดกับตัวนี้ตัวเดียเมื่อไม่หลงกับมันไม่เกิดอลไรพิคิดมันเลยมันไม่มากหอตัวรูกเลยเปรียกเพรอะไรเทียลี่ยนพิคิดไหลาอไลนะมันองจะลูสตัวรตัวนะลองรู้สตัวลอมาได้ไม่ยากไยากมีวัสดุอุปกรณ์ผิดออกมา่เยอลงรู้สตัว พรเจ้าสอนตอลอดเลยมีหลักเนี่ยเราไม่ต้องไปนค้นหาไม่ต้องไปสูกไม่ต้องไปสูกจับมาเลยยกขึ้นมาหอยใจเข้าหายใจออกเพื่อหายยกมือสร้างจังหวะเออจังกง้ามน่วงเดินไปงกงมนักสัหน่อยจกไปย่อๆนะไวสัหน่อยเอ๊ะหน่อยบอยสนนน ห, นหน่อย ยิ่งแจ่มแจ่มใสใจก็องยิ้มเลยใบหน้าก็สดชื่นกายก็เข็งแรงความน่งก็อาปากาหลับตาทีก็ออแออย่างนี้อยากเปิ้อาปากะแต่หน้่งจะไปิดาปากะปิดปากไวให้มันลงออกหูปืดความใบหน้าตั้งท่านี่การเปิดตรงไหนที่มันอ่อนแอสร้างความแข็งแรง เอาไหนท่มันผิดแก้เป uh, ็ปัจจุบุให้เรหู้ my friends? My friends? My ้สึตัวรู้สึกตัวอย่างเดียวตั้งแต่เม่อไะเดี๋ยวตัวหมูก็มันก็อยู่นเดียวอยู่คนเดียวมันอยู่กับหมูเราคยัวนี้กันทีนเราอเรก็อุ่นใจในประสองใเพื่อมีเม็ดไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระทธเจ้าโอ้นำมาบคนเรานะ มันมี เ, เป็ดว่ามันมีเสือมันมีตะดาลได้ยาคาของศพทิะขาพายาคามาโหนะ่าไปต้นโพแลก้ก็ไปดูแล้วต้นโผตาหน้ากระถางที่ตะวันตกตามแม่น้าเมลันชลานาหญาคาข า, ย า, ขาอยู่คนเดียวฝนตกก็เปียกแต่ออกก็ร้อนลบพัดกนา เราไม่ไม่มีฝนตกก็ไม่ไมมไมเสียดนะพระพสทธเจ้าพอตานที่สวดหาโมกขธรรมเนี่้องห ม, า, งหนนม า, กกาพวกเราไม่มีเพื่อนเลยจุคนเดียวพอเรามีเพื่อนมีนิดอยู่ที่นั่นก็มีเพื่อนคนนั่นผู้หญิงคนนั่นผูวาสิกาตรงนั้นแม่ชีตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็มีอาจารย์มีหลวงพ่อมีครูบ า, าอาจารย์ไม่เสียด มีเพื่อนมีตรนะแล้วก็มีเพื่อนมาทำว่าสวดมนตสิ่งที่เราสวดก็มีแต่มีแต่ทำดีมีแต่สิ่งดีเราสาธยายกันเรามีวิธีการมีวิธีไหว้มีบทมีฉว่ามีโอวาสุวาสิตาเดี๋ยวแเนี่ยเดีวว่ายุบทองยุบทองอะคนไทยก็าเน่มีโอกาสเข้าถึงมากถึงผลมากที่สุดเพราะ ศานาพุทธศาสนาตั้งอยู่บนรากฐานาาของวัฒนธรรมอนงดงามไม่มีไม่มีวัฒนธรรมที่ไหนงดงามเหมือนกับคนไทยเราของพ่อไปลอกโลกมาแล้วหลายประเทศแบสิบประเทศแ้ว ไ, ไปสอนไปสอนไปดูไปศึกษาคนไทยเราเป็นผู้ที่เหมาะที่จะได้รรู้ครัก่อนชา เกียรติยศแต่เรื่อนี้บางชาติเขาพัฒนาแต่ขพัฒนาสุดแล้วเขาสุดแล้จากพระรมหาของอยาสอนเรื่องห่นะให้สอนแบบพขตัดฉลุของมาสานจงแล้วเขาก็ไปไปประเทศสหรัฐอเกพไปอยู่เปิดปฏิบัติธรรมขันร ก็มาอบอให้สอนแบบหลวงพ่อเทียนนะอย่าสอนแบบอื่นนะชอบดีมันเป็นเซนดิมันเล็กทมันทราบเนี่มันไม่ได้เป็นนั่ ง, งระโงต์ตาให้สอนแบบหลวงพอเทียนนะเขาบอกเลยะเซฟี่นะจะไเซชอบมาจากฝรั่งเศสมันกั บ, บ้านเซฟมาทุกปีปีละครั้งสองครั้งให้สอนแบบหลวงอเียน เราก็โชคดีเรามีครูอาจารวิธีที่เราทำาก็ใช้ได้จริงมันเป็นการปลุกไขยกนะ่ยื่าท่าลูกมันตื่นขึ้นมามีมือมียกมือเป็น14บสีจังหวัดลูกเป็น14ข้างลูกแล้วลูกเกิดลูกแล้ว ล, ลูอู้พอกระชอบแต่ก่อนพ่อนั่งบตาสงกโอ้ยตายอยู่ตอนนั้นกันตั้ง่อายุเกปีถึงอายุ30ปีเดปี๋ยู่ตอนนั้นก็๊ ติดไปทำนาก็อยากให้น้ำข้าในห้น้าคิดถึงห้องพ้าไปเกี่ยวภาพคิดถึงห้องพ้าวันไหนสนองไม่โทษไม่จารักษาน่ยครับเพราว่าพอเปิดประตห้องคระเ้าไปวิววิ ว, ว, วนัองอ่งไม่เหียนสนุกแล้วติดจุดระบบสนุกอดแก่คนกเพราะยังโกรธน้องยังโกรธให้ไวให้เร็ว ย, ยัมีกิเลสเต็มห เวลาชอบไปทลองก็ชอบตลอดนั่ก็ไม่ไปลถึงอ่ะพอมาสร้างจังหวะมายกมือเคลื่อนไปโอ้ฮะเราสึกว่าพนเโลกออกมาดูทุกอย่างเห็นทุกอย่างคอสมองขอเห็นควมในสมกงขอเห็นอยู่ตรงนี้แบบอยู่ตรงที่มันเป็นอะไรอยู่ตรงกลางกลาระหว่างกายร่างใจ เาไม่อยู่กอเอยู่ตรงอยู่กับตนอยู่กับคุณธรตนเป็นความดีนแะต่ในต น, นเาถตนนัละเป็นที่พึ่งของตนไม่อยู่ในอนาของการไม่อยู่ในอนาของจิตจเห็นเห็นการเห็นใจตามความจริงนี่ให้พวกเรามาตตรงนี้กันนะวันนี้ก็สมควร